อาลับพรท่นี้รับพอรอนโมธนาให้พรหลวงตาของพวกเราท่านละสังขารตั้งแต่วันที่30สวันนี้เป็นวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ท่านละสังขารวันที่30มสมกราพุทธศักราช2554เวลาตีสาหนาที และก็วันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์พธศักราช2554เป็นเวลา9วันวันนี้วันก่อนเป็นวันงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวหรือทางสำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพตั้งแต่เริ่มเมื่อคืนนี้มาเป็นของพวกเราเป็นงานลาดแล้วที่ไหนปณนการที่จะมาร่วมกันทําบุญจะจะเป็นบริษัทห้างร้าน ไหนก็ตามมาถ้าหากพูดที่อยากจะมาเป็นเจ้าภาพก็มาลงชื่อเอาไว้กับคณะกรรมการหรือคณะกองอํานวยการาร่วมกันพอเราจะจัดให้เป็นวันๆก็คงจะจัดไม่ได้เพราะว่ามีเวลาวันมันน้อยเพราะนั้น จ, งนนจึงรวมกันคณะสิทธิานุสิทธิจึงรวมกันลงรายชื่อรวมกันบริษัททางร้านต่างๆสํานักงานต่างๆจากนั้นคณะกรรมการก็จะได้ประกาศชื่อให้อย่างเมื่อคืนนี้ก็ สำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกวิเชียนพศโพสีผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นประธานและก็ทั้งรองทั้งคณะแม่บ้านของท่านด้วยมารวมกันเป็นเจ้าภาพเมื่อคือนนี้และก็พร้อมกันก็ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมกวีที่นั่งขวาหลวงพ่อเนี่ยที่ท่านอยู่วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯหานครเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อคืนนี้แต่ท่านเจ้าคุณทากวีสมัยเมื่อท่านได้เป็นเจ้าคุณใหม่วัดราชาเมื่อสองปี2520นหะ้้าหลวงพ่อจําไม่ผิดถามกราบเรียนถามท่านเมื่อกี้ในะทางกว่าเมื่อช่วงปี2520ท่านได้มาฟังธรรมเทศนาขององค์ลูกตานะท่ามาพักอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นในคืนวันคืนวันนั้นหลวงพ่อ พอท่านเจ้าคุณมาหลวงตาก็เมตตาประชุมพระสงฆ์ท่านก็แสดงธรรมในการแสดงธรรมกันนั้นยั่งอยู่ในในธรรมเทศนาของหลวงตากระทั่งทุกวันนี้นะ เ, เ, ทเทศกันนั้นทุกที่ทุกเทศเลึกซึ้งอบรมตามขั้นตอนได้ดีมากหลวงพ่อยังจําประทับใจไม่ลืมแต่วัดเจ้าคุณวัดลาชาและกัหลวงพ่อก็ระลึกถึงท่านเจ้าคุณทุกครั้งถือว่าท่านให้ความรักเคารพในองค์หลวงตาของพวกเรา ท่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ไหมครับผมท่านมาครั้งที่สองที่ลงตามราณาภาพมาเนี่ยเพรน า, า, านั้นเมื่อคืนนี้กาประหลาธนาในมณ์องค์ท่านได้แสดงธรรมมรเทศศนาแล้วก็ขอให้คณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเราที่มาร่วมงานถือเสมือนว่างานนี้คืองานพ่อของพวกเรานะคณะสัตยาติโยมอย่าไปถือเป็นอย่างอื่นขยะแล้วกต็ต้องเก็บได้ที่ไหนมันส ก, กปลก เราต้องทําได้และถือว่าหน้าหน้าที่ของลูกลูกต้องรับหน้าที่อย่างหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็อยู่ไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ห่างไกลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรก็เพื่อทําหน้าที่ของลูกของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทำหน้าที่เสมือนลูกจงรักพักดีรักเคารพแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อพ่อของ พ, อองพวกเราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือองค์หลวงตาของพวกเรา อย่าไปถือเสมือนเป็นอย่างอื่นสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ช่วยๆกันนะอันนี้หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกคือเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีของพวกพี่น้องของพวกเรารักกันเอาไว้ความไม่เข้าใจกันนั้นมีหลวงพ่อบอกว่ามีถ้าหาว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันต้องมีเรื่องทะเลาะกันขนาดตัวเองอยู่คนเดียวก็อย่างเอ๊ะเราคิดยังไงขนาดใจตัวเองทแท้ๆก็ยังยังคิดอยากจะให้คิดอย่างหนึ่งมันก็นยังคิดอย่างหนึ่งก็ยังไม่พอใจในตัวเอง ถ้าสองคนขึ้นไปแล้วก็ต้องมีแต่ถึงยังไงถึงจะมียังไงก็ตามเราปกครองโดยประชาธิปไตยจะต้องแสดงความคิดเห็นเมื่อแสดงความคิดเห็นก็ต้องมีจุดลงจะไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นทเลยเผด็จการพวกเราก็ไม่ชอบเหมือนกันพูดคาใดอย่างอาตมาเอา้าไอ้หลวงพอ่ออินเนี่ยเป็นหัวหน้าหลวงพ่ออินถวายเนี่ยเป็นหัวหน้าหลวงพ่อจ ะ, ะเผด็จการอย่างโน้นนี้พวกเราก็คงจะไม่ชอบเพราะฉะนั้น ถ้ามีหลายคนคือมันก็นานาจิตต่างนานาทัศนะก็ต้องแสดงความคิดเห็นจากนั้นก็หาที่จุดที่ลงได้แต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่พวกเราทะเลาะกันนะที่พูดทั้งนี้นะอันนี้บางคนบางหมู่บางกลุ่มบางคณะก็อยากจะให้พวกเราทะเลาะกันจะงุ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดพวกเราต้องหาจุดยืนอันไหนที่ดีที่สุดที่เราจะบูชาพระคุณในองค์หลวงตาของพวกเราเพราะฉะนั้นขอแจ้งขอบอกกล่าวแต่เรื่อง กำหนดการที่จะพระราชทานเพลิงศพนั้นยังไม่มีนะักนักศึกษาญาติชมรอรออยู่แต่คงจะเร็ววันคงจะเร็ววันถ้าหากวานได้ความเมื่อไหรได้รับทราบเมื่อไหรตกลงมาเมื่อไหรหลวงพ่อหรืออาตมาภาพแจ้งข่าวให้ทราบโดยด่วนเร็วที่สุดนะแต่ขณะนี้ยังไม่มีขอรอฟังไปก่อนแต่พวกเราก็ทําหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรดูแลเรื่องอะไรก็ขอให้ ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะหลวงพ่อเองอยู่ในหน้าที่ที่จะดูแลกับพี่น้องคณะสัทย า, าติโยมทุกหมู่เราหลวงพ่อก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเหมือนกันนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่สถานที่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่หลวงพ่อได้บอกเรียนมาหลา ย, ลายๆครั้งสิ่งไหนก็ตามอย่ามาทําความชั่วช้าเสียหายในวัดของท่านเพราะสถานสถานที่แห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ ใครทํากรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วนี่จะติดตัวเองไปนานเท่านานเหมือนกับเราไปทํากับพระพุทธเจ้าทํากับพระอรหันตรสาวกอย่างนั้นแหะติดพบติดชาติเพราะฉะนั้นกรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่าให้พวกเรามาสังสมบุรณ์กุศลมาสร้างบา ร, รมีกับองค์หลวงตามาสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาจึงจะถูกต้องนะสิ่งไหนที่มันเลวแรงแคลงใจเอออันนี้ไม่ถูกนะอย่าทําถ้าทําไปแล้วมันจะติดใจไปนานเท่านาน เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามอย่าเรื่องคดเรื่องโกงเรื่องขโมยเรื่องเลี่ยไรยเรื่องขายสิ่งของอย่ามาทําในวัดของหลวงตาทำทำที่อื่นที่อื่ น, ท, นที่อื่นที่ทาํามาค้าขายมีต่งเยอะแยะไปแผ่นดินเมืองไทยกว้างต่อกว้างแผ่นดินบ้านตากมีไม่ก็ไม่กวา้กวางเท่าไหร่จุดนี้เป็นจุดที่พวกเราแสดงซึ่งน้ําใจต่อกันมาเสียสละเห็นไหมหลวงตาเสียสลาเท่าไหร่ ช่วยชาติเท่าไหร่ไม่ต้องบรรยายมากมายมหาศาลเพราะการเสียสละของหลวงตาเองหลวงตามีน้ำใจนั่นเองพวกเราทั้งหลายคณะสถานญาติโยมลูกหลานทั้งหลายจึงหลั่งไหลเข้ามากราบมาไหวมาเคารพสักการะ บ, บูชาแต่ตัวของท่านเองท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเพราะนั้นพวกเราจึงในมารวมกันมาร่วมกั น, รกนสร้างบุญสร้างกุศล ถ้าจะว่ามาอนุโมทนาสาธุกับองคหลวงตาก็เกก็จะถูกต้องที่สุดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะอย่าทำเนะ้สิ่งที่มันไม่ดีนะอย่างเขาลืมสิ่งของอะไรก็ตามใครเห็นใครเก็บเก็บมาไว้ที่กองอำนวยการอย่าให้เสียหายล่วงกระเป๋าเกียรตกระเป๋าอะไรก็ตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีเลยนะ เ, เมื่อทาไปแล้วก็มันจะติดพพติดชาติอย่างที่ หลวงพ่อได้กล่าวตึกสงอาภาธที่หลวงตาท่านบอกว่าท่านจะหาให้ได้ครบ500อยนะยอดเงินได้เดือนนี้ได้437ล้านในตัวเลขที่บอกมานี่ยังขาดอยู่26ล้าน1 6 6 9 9 9้าบาทห6สหสตังค์ยังขาดเงิน500รอยล้านอยู่นะัง ใกล้เขามาเต็มทนลนะตัวทองคําเข้าคลังหลวง12ตัน292กิโลจะล้อมเข้าใหม่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าสวยงามจริงๆก็นะ12ตันกับ500กิโลเนี่ยจะสวยดีนาจะช่วยลงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงให้ได้สัก12ตันกับ500กิโละจะสวยงามนะเดี๋ยวนี้นะนตัวเลขเนี่ย12ตัน292กิโลดอลลาร์10ล้าน 2 1 21, 000, 4 6 0 0หรดอนแต่ตึกสงอาพาศ473อบาล้านาบาทอันนี้ก็คือที่หลวงตาที่ท่านตั้งเอาไว้แต่ส่วนทองคำเข้าคลังหลวงหลวงตาไม่ได้ว่าอะไรน้ำซับน้ำซึมมาเรื่อยๆสมัยหลวงตายังอยู่ ได้292กิกโลแต่พวกเราคงจะหาเพิ่มเขาอีกถ้าดีกว่านั้นก็นคงได้13ตันเนี่ยจะสวยงามมากจตามเหรอเออมามามีอะไรขอโอกาสการเ ร, รียนบูชาธรรมทาทธาตุขันองค์ล ง, ลงตามมหาบุญธรรมปันโนหลวงปู่จามมหาปุญโยวัดห้วยทรายและสำนักชีคุณแม่ชีแก้วเสียงล้มบ้านห้วยทรายคำเชอีจังหวัดมุกดาหาร ณวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นเงินจำนวน9 7 8 1 5บาทตัวหนังสือ9 7 8 1 5บาทเพิ่มยอดอีก1 7 3 0 0บาทรวมยอดสุดทธิ 115,115 115บาทเอออโนโมธนาาธุนะกาปูชาด้วย ขอโอกาสกราบไหว้หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกมาด้วยความเคารพยิ่งได้กราบเรียนให้องค์หลวงปู่จามหาปุญโยได้ทราบถึงการมรณภาพและรักังขานองหลวงตามหาบุญยณทรัมปนโญแล้วตั้งแต่วันที่30มกราคมที่ผ่านมาหลวงปู่จามหาปุญโยได้ปารพ บ, บัญชาว่าขอให้เอาปัจจัยช่วยงานท่านอาจารย์มหาบัวนะ ชีวิตทุกชีวิตมีธรรมดาเช่นนี้เสมอกันนิพพานังดับครั้งสุดท้ายมาดีไปดีสุขโตทั้งนี้แล้วจึงได้ขอโอกาสนำปัจจัยมากับถวายบูชาธรรมะทาถขันแห่งองค์หลวงตามหาบยญธรรมปโนตามบัญชาของหลวงปู่จามหาปุญโญจึงกราบไหว้บูชามาเพื่อทราบด้วยความเคารพยิ่งกบาแจ๋ว ที่อยู่กับหลวงปู่จามเออห้ได้บุญหลายนะาลูกหลานนะ้ทุกคนนะ้โอ้ได้แสนกว่าบาทมาจากหลวงปู่จาม